อชีวิมาได้เพราะความเกี่ยวเนื่องถึงกันเราก็ทำประโยชน์ให้โลกจะร่มแบดตาไม่าดหข้อมิยแตกตัวมันเป็นไม้ยข้นดานเพราะฉะนั้นคอรับชั่นถึงระ บ, บาดมันเป็นม้เปนตัวใหญ่โตเลยไม่ก็ไมาคือไม้อย็นไม่ผู้ใหญ่หาาหาพาเติดผู้ย่างนี้กลมไปกลมมากับหลักกฎหมายบ้านเมืองคุณน้อยมัน ถ้าเยอะไม่ขึ้นว่าอืมโลกมันจะทุกทรารเหมืันจักรดวงพลิกพลนความสามาที่ความมีแต่เหมือนกับพน้ามีน้อยมากแล่วมันจะนำะทศชาตมันักข้นไปเลยไหมของโกเป็นยงนี้ดิฉนเหนมันรู้มัน ฉะนั้นจึงต่างกันมากกับเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าทรงบัญชาเองบรรชางานตั้งกฎข้อบังคับเรื่องวินัยกฎข้อบังคับเหมือนกฎหมายกฎหมายพระก็คือวิอนัยเปิดทางให้ดําเนินก็คือธรรมทามแต่ถึงกัแบปบระโยชน์ เต็มและผู้อื่นขีดอนนี้กับปรับโทษโดยลำหนักลำนาตั้งแต่ปารถนลงมาจนระทั่งถึงผู้าสิใอลำหนัส่วนอับเปนอัเป็ น, น, น อ, ป อ, ป อ, ปอันนี้ก็หานี่หายส่วนปากกาปะกหาส่วนอัเป็นอับเปนเป็น่างเมพื่อนเหอนเพื่อนคะอั น, นี้ก็เป็นนิสัยพื้นฐานของนไทยเรา แล้เข้ามาบวชนศาสนาก็เป็นพ้นที่เจ้านิสัยของโลกเข้ามาเหยียบย่ทำทําลายทําหลักทำนิง่งๆคือความสะดวกอตาใมใจทำไรมันก็เป็นทุกแห่งทุกหนไ ด, ด้เลยนี้แต่ว่าไงพอะนิสัยชั้นดานนี่เองมันเข้ามาเหยียบย่ำทาลายศาสนาทํา ย, ย, ยั ง, ยงไงมีอยู่ไม่ยอมทาตามมันก็แบบเหมือนลูกคนหมามั่งเงมีอยู่ไม่ยอมทำตามนีนิสัยชั้นดานนั่นมันเคยดื้อเคยด่างนาั่นเขมาในวงศาสนามันมาเหยียบย่ทำทําลาย อำนาจมั น, นก็ไม่รวมปกครองมันก็ไม่ได้ทั้งดี่เพราะใครก็ไม่ยิ่งกว่าใครสุดท้ายผู้ดีก็มีน้อผู้มากก็เป็นแผ่นดินไม่ปกครองกันได้อไรีไม่มีผู้ดีก็ิสิ์เสียไปด้วยถูกกดขีบังคับไปด้วยอย่างเนนั้นทั้งโลกก็แบบเดียวกันนี้ั้งศาสนาก็กำลังเป็นเหมือนเดียวกันนี้ แต่เพียงผมดูท่านอะไรที่มาจากวัดเ ม, มา่อวันนั้ผมก็สรดสงสารดีหลายวันเหมือนกันท่านหลอดน่ะท่านหลอดเคยเป็นกรรมฐานแต่ก่อนมีอียามายาดีเรียบร้อยหน้านเคารพเรื่องใส่ยพอไปเจ้าอาวาวัดสือน้ำขุ่นออกมาขายด้านบนมาตอนเช้าดูไม่ได้เหมือนไปดูลักษณะเหมือนกับเราบุญบาปไม่มีเป็น รวมทำฟังเรอะอยหลายลันกันเราเห็นเท่าลังนั้นเองโอ้โหเป็นขนานไม่เจอแน่เป็นขนานเราไม่ฆาไในฝังรู้ที่ยาท่าทางอะไรหมดเงินเกี่ยวข้องเงมันไม่มีอะไรแล้วมันก็หมดที่เคารพ บ, บูคชาเคารพเดินแตที่สูงที่ต่ําก็หมดไปเพราะจิตมันเป็นลังนี้เป็นหมดแล้วแล้วศาสนาเป็นโลกบางหน้า หาความร่ำความรวยหาเงินหาทองโดยกายเก็นสาวนั่งอนู่ในมอสงานการอะไรก็ตามเพื่อนเงินทั้งนั้นไม่ได้เพื่อธรรมนี่ให้เพื่อนพิจารณาการพูดอย่างนี้ผมไม่ตั้งใจทำหนึ่ิตเจียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้การพูดนี้ก็พูดตามหลักของเหตุผลด้วยเปิเป็นวิติกแจ่มาศึกษาอบรมด้วย อย่าลืมตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมนั่นแหละคือสาระอันมันกระสือที่ควรจะยดยิ่งขวดขี่หมูขี่หมานันที่กล่าวมาหลังอันนี้ติดมากติดน้อยเปื้อนเกิดไปหมดําความสบกับตวกวกจิงลานได้หมดเพราะไม่ใช่สองดิ่สิ่งที่กล่าวเรวย ก, การดำเนินงานนี้ การปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมมันถึงจะเป็นเป็นธรรมมันถึงจะมีธรรมในใจปฏิบัติเป็นธรรมธรรมก็ต้องมีในใจแต่ไมนปฏิบัติให้เป็นธรรมจะเอาธรรมมาทางหนมันมีในใจมันหนึ่งคืนนั่นคิดเรื่องบัตรเรื่องธรรมเท่าขาลื่นขาเย็นยึดติดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรังเวยโกงเงินข้ากับศาสนาเป็นเครื่องสำนักติตใจเครื่องสำนักที่ สลักมันโครนข้ามกับคำว่าสลักจํงสมใช่ไหมหความเสื่อมมาจากไหนหาความดีมาจากที่ไหนมันก็เกิดมกับกคารวาสเขาเจ้าผ้าเจ้าสีพันสีมาปกคลุมมันกอเหมือนกองผ้าให้ถึงหาความที่เสื่อมที่เกิดขึ้นมาถ้าจิดใจ ซ่เป็นตัวประธานไมู่ีแล้วปยยามันยากจะหาความดีมาทํไงห้าคิดไปอย่างนี้ก็ทำให้อีจฉาและ อ, ายอย่านใจนี่กัมันทำให้จิดใจอ่อนกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนใครก็ใครเลยอยู่รำพางเรามันสะดวกสบายเพราะเราไม่มีความมุ่งหวังอะไรจากผู้ใดทั้งนั้น ไว่าเราจะใครมาติดต่อกับเราไม่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดไปในงานใดเราไม่เคยคิดถึงเรื่องโลกาภิวัเลยยิ่งก็หัวใจผลที่เราจ้างใจจะไปสงเคราะนั่นเรามุ่งอย่างยิ่งเราเห็นหัวใจที่มีคุณค่ามากใจท่านใน ก, การอบรมจะเป็นสิ่งที่สูงส่งและทํำความสงบร่มเย็นได้แก่ผู้นั้นๆตลอดสังคมทั่วๆไปทำมึนเป็นสิ่งสําคัญมาก่ากปราศจากการอบรมเสีย จิตไม่มีสีมีธรามก็คือไฟกองไฟทั้งกองน่ะเขาเอยู่ในหัวใจเราอยากเข้าใจว่าคนมีความรู้วิชาสูงเรียนสำเร็จเป็นยาตรีโทเอกและมีเงินเป็นนั้นล้านนั้นเขามีความสุขเป็นอย่างเขาโทวแก้วอเล่าในพิธีงานเขาเขาโทวอะไรนะโทวความโง่ของเขาโทวความลามโลกของเขาทาท่ายิ้มยิ้มยันยัยยไปในหน้าหนักเือ อะไรเอาตลาดร้านอะไรมาประดับหน้าร้านตัวข้างในมีแต่ขี้มูขี้หมามีแต่วามฟืนกองไฟหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟเราดูเราอ่านเราปิ๊สับปี๊กเจนริญหัดใจไม่มีสิ่มีธรรมแค่เท่านั้นถ้าจะเอะไรมายืนยันนันเป็นความจริงเราเชื่อไม่ได้หรอเพราเราก็เคยอยู่กับโลกมานานพอสมควรนี้เกิดเจ็บจุกยันเรื่องอะไรระบบระบบบวกคูณหาร ย, ยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นคู่แข่งกันกับโลกได้ดีมีสิ่งเปรียบเทียบนี้สิ่งให้คัดให้เลือกเป็นคู่แข่งกันได้หรือทำไมจะไม่รู้ได้เรื่องของโลกของธรรตัวเองทำโก้โลกก็เห็นเหมือ น, ก, อนกับจะเหาะดินได้เลยทั้งสติมันก็เป็นอยู่หัวใจก็เป็นอ น, นั่นเรื่องโลกมันเป็นอย่างนั้น เรื่องของธรรมแล้วไม่มีเรื่องโชโช่เ ช, เช่มาโชมาอวดงงหมุนเตี้วเข้าไปในหัวใจไฟมันอยู่ที่างน้นําดับน้ำคือธรรมไม่มีน้ําใดที่จะยิ่งกว่าน้ำธรรมเข้าไปดับไฟคือเร่องราคะตินาโทสกินนามโหหกติน า, นาราคาก็เป็นไฟถอนใจโทสก็เป็นไฟถอนใจความหลงก็เป็นโมหะ เขาเป็นไฟเผาใจความง้างคืออัดคือถังมีสมาธิมีสติมีปัญญาเขาไปเผาเขาไปช้าล้างสิ่งที่เป็นปิบเป็นไฟหไปเมื่อไฟนั่นระงับลงด้วยน้ําความร่มเย็ยนเป็นสุขภาในใจิตใจก็ปรากฏขึ้นมาเท่าที่ใจหาความสุขไม่ได้หาความร่มเย็ยนไม่ได้ก็ เ, เพราะไฟที่ความร้อนที่เกิดขึ้นใจ ราคาตั้หาโทรศัมหานั่นแหละมันเผาฉาบอยู่ตลอดเวลานะหาความเย็นได้ที่ไหนใจมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเยื้องนีธรรมเป็นเครื่องำสำนักศาสนาดับนะกไฟภายในใจใจแ่อวมีความสงบเย็นขึ้นมาได้ธรรมเป็นเ็สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อโลกทั่วๆไปถ้าโลกยังฟังความถูกความเตลิดอยู่แล้วโลกเป็นหนีจากอับแต่ใไม่ได้ โลกใดก็ตามถ้าต่ศจากธรรมโลกนั้นของสิโลกของตัตว์เอกสารดีๆมีความสุขความเจริญเพราะความรู้เยอนม า, ามากเพราะมีสมบัติมากนั้นด่าวันมีเสษตรสรรต้นด อ, อกอะไรถหลักธรรมชาติจริงแล้วจะจะไม่ผิดอะไรกับคนทั่วไปยิ่งมีความรุ่งร้อนมากกว่าคนทั่วไปงเป็นอยู่ตามบ้านนอกขต่ใน น, นี่เขาไม่ค่อมีความทุขมากอะไรถึงเลยลำบากลำบนเพราการ เสืปองหาอยู่หาชิมอันนี้ก็ทุกทางการจิตใจเขาไม่พบมากเหมือนพวกที่มีความรู้มากๆความโลภมากๆโลภมากๆแล้วความเครียดแค้นมันก็ต้องตามมาตามความโลภการทําความชั่วมากจากอรงนี้มันก็ฆ่ากันอย่านัาา้นคัดผลประโยชน์กันอย่างนั้นคัดผลระโยชนี้แล้วฆ่ากันแค่าหนหนักฆ่าปิดากบ้างอะไรบ้างมันเรื่องอะไรมันเรื่องไฟลุ่ม เป็นเรื่องน้ําเป็นเรื่องความร่มเย็นหรืเป็นเรื่องความพินาศคือหายเราก็ดูคนรู้นี่นะไปดูยากอะไรเมือ่อเป็นนั้นใครจะมีความสุขหน้าของใครเราเชื่อไม่ได้สำหรับเราถ้าใจสะอาดจะทำที่อย่างเดียวเราเชื่อไม่ได้เราคนนั้นจะมีความสุขผู้ใดมมีธรรม ผูนั้นมีการรับยัางช่างตัวมีการพินิจพิจารณาให่ควรในสิ่งที่ถูกที่ผิดผู้นั้นย่อมจะมีจิดตัวได้ในสิ่งที่เป็นถัยและทําสิ่งที่ดีแก่ตนพพเพราะจิตใจที่ได้รับความสุขทําเป็นผลขึ้นมาจากความดีแล้นได้เราไม่สง ม, มใจปฏิบัติหรือดูสัมผัสสัมพันธ์กับโลกมาก็นานพอต้องบวชบวชมาก็ได้สี่สิบหกพรรษานี่นะสี่สสี่บ้านั่นเอง สีาปีสี่ที่หกพรรษาทางธรรมะเขาเลือกเป็นพิจิตรนาเทียบเคียงกันกับ ร, ระหว่างโลกกับธรรมดีกับชั่วสุข ก, กับทุกข์เอามาเทียบเคียงในระหว่างธรรมกับโลกนี่แหละเป็นสนามรบเป็นคู่แข่งกันระหว่างที่เหล็กกับธรรมที่มีในโลกอันนี้โลกหัวใจนี่แห้ะเราสามารได้ จิตมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาหาความสุขได้ที่ไหนเมื่อนี้น อ, อาศัยธรรมะศาสนาให้ ม, มีความสงบร่วมยืนลงได้นั่นแหละเพราะงั้นจึงเห็นความเพียรเป็นของํำคัญที่จะยังงับปืนไฟภายในจิตใจคือความทุ่งข้าววุ่นวาหมืนกันเองดับลงไปสงบล ง, งไปด้วยหลักของอมเพียงอันเป็นผลคือสมาธิขึ้นมา ความสงบเยือหาความสุขให้หาตรงนี้เราเป็นมักคธรรมะอย่าหลงโลกหลงสารกับเขาอย่าตะคุกเงาอย่าตื่นใครทั้งนั้นคนเหล่า น, นั้นมีแต่คนมีกิเลสเครื่องหลอกลวงตนเองและหลอกลวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลารอบด้านรอบคิดมีอยู่ทั่วดินแดนไม่เป็นสิ่งอจาจรรย์เลยสิงที่อาจารย์ก็คือของจริงไม่ต้องเสร็จต้องสารตั้นดรอหรือธรรมขอให้จริงจังระพทธเจ้า เป็นศักดิ์ยิยายามในการสอะแส้งหาโดยถูกทางและผลเป็นที่พึงพอใต่เกิดขึ้นมาก่อนโลกก่อนก่อนใครทั้งหมดในสมัยปัจจุบันศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาปัจจุบันอยู่หล้งท า, ง ท, างที่ประกาศออกมาก็หรือประกาศผลที่ได้รับและประกาศเหตุเครื่องดําเนินอันเตที่จะได้รับผลนั้นออกมาอย่า ง, างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีทางสงสัย ทั้งกับพระสาวกเป็นสลับจับฟังจากกับพุทธเจ้าแล้วดำเนินตนตามแนวทางที่สงสอนเนื่องอยา่างหนึ่งเป็นผู้ตัอตั ว, ตวอมมักผลนิพพานสังหารที่เดชอาชวะมันเป็นเชื้อแห่งไฟประดายกันมันเผาอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานให้หมดชาติสินชากสะได้โดยนจนกระทั่งหมดโดยสึ้นเชิงไม่เหนื่อ ย, ยดับไฟได้อย่างราบคาใจเป็นบรมสุ เราพิจารณามาเต็มประสิทธิกลังของเราแล้วหาที่ตรงจิตลงที่ไหนไม่ได้เ ล, เลยว่าความสุขอันแท้จริงกับความทุกข์อันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจของตสายโลกความทุกข์อันแท้จริงนั้นมีที่เหลืเป็นสาเหตุตัวสําคัญความสุขอันแท้จริงนั้นคือธรรมมิมกักมันเป็นสนาเหตุอันสำคําที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมาเป็นผลแล้วเราพิจารณาเต็มประสิทธิกลังคอยสามา ไม่มีทางสงสัยอยู่หลังบอกไม่สงสัยว่าเป็นหัวใจหาความสงไม่ได้ว่าความสุขและความทุกข์นั้นจุดเด่นในจุดเป็นที่อยู่ของความสุขของทุกจริงคือที่ไหนนั่นคือใจของสามโลอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ถึงภูเต่างๆอยู่ในภูเขาเราอยู่บนเม่ฆในออากาศใต้น้ําำบนบกที่ไหนไม่มีจะมีอยู่ตามโพธิสมบัติมีอยู่ตามคำพีเปรานมีอยู่ตามหลักวิชาต่างๆที่เรียนมาบ้างก็ไม่เห็นมี สรุปแล้วก็มาลงมาจุดจัดอันนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องดําเนินถ้าเป็นความสิดแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ไม่เกิดอะรลงที่นี่เจอที่นี่แล้วมันไม่ไม่สอบหาอะไรเนี่ยเพราะมีอะไรจะยิ่งขวัญมันต่อยมันไปโดยลำดับลำดับลำดับพิจารณาไปเพราะทําเป็นคู่แขกของโลกกับโลก มันคู้แทนกับวิเลยศวิเลศเป็นผู้สั่งสมทุกข์ให้สั่งธรรมเป็นธรรมชาติที่สั่งสมบุกให้สัตว์โลกแล้วนำมาปฏิบัติคาจัด ก, กันไปเรออย่รอยๆไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นปับตัญาจิตใจก็สง่างามขึ้นมาหน้าดูหน้าท่อยอยู่ที่ไหนก็เกิดความปีติดยินดีร่ำยินหาภัยหาเดุนไม่ได้งั่นแต่ตายเพราะเหตุใจก็ตาม เป็นเรื่องของฆ่าของขันธรรมดาไม่เห็นทจะกระทบเกินถึงจิตใจจี่เต็มไปด้ความสุขความสงบนั่นเลยถ้าใครจะลงใจก็ลงตัดสินใจเรืของเมื่อไรจะตัดสินใจลงในจุดไหนในนรกถรือในบรมสุขประจิตใจนี้ยป็นต้นตัดสินใจลงถึงแล้วเราก็ไม่เสียดายที่ไหนความคิดประเภทใด ที่เป็นที่เหล็กจะต้องถอนตัวออกทันทีถอนตัวออกทันทีลบปี๊บแก้ไขหรือปดเครื่องกันทันทีทันทีไม่สิ่งที่ไม่ถูกดีไสน์ไม่ยอมให้มันแสดงออกมาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาไม่ว่าจะทางการทางใจแม้จะแสดงมาทางจิตก็สติก็มีอูนั้นแล้วขยับตามมันทันทีฟัญดา่าดฟันใีรกันไปแต่เราไม่เคยเชื่อกับที่เล็กเดียอย่างเดียวคัน อันนี้มันความเคยชินกัที่เหลอย่างนี้มันยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมนะ่ะแต่ารู้เรื่องว่า น, นั้นเป็นกิเลสนี้เป็นกิเลนั่นหมายความว่าเริ่มมีธรรมลแล้วมีสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นสำคัญพี่มากัดกองมาเป็นสติปัญญาแล้วไม่มีที่ตรงที่ไหนตรงใจตรงได้ เอาละตรงนี้แหละแน่ใจมันมีที่ตรงไหนนอกจากใจข้างห น, นทำไปเป็นเครื่องเงําสนับดันเงินเพื่อความสุขทางใจอันเป็นผลนี่เม่านั้นงการนันเราไม่สมมติโลกเราก็เกิดในธรรมการแห่งโลกแต่เราพูดถึง รู้เป็นสัดเป็นส่วนของโลกของธรรมต่างกันอย่างไรจะควรเลือกเส้นอย่างไรเราเป็นผู้มุ่มมงมหาความสุขความเจริญทางด้านแใจโดยเฉพาะเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเพราะความหุดพ้นความที่มุ่งเพรมุ่งเพราะความหุดพนนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากภายในหัวใจเรานี่ว่ความมุ่งมากความมุ่งหวังนี้มีมากเท่าไรก็ยิ่งจะต้องขี้งวดกวดขันทางของภาพเงื่อนทั้งฝ่าละฝายลงกึง ตเต็มเม็ดตตเต็มหน่วยเต็มพื้นที่กำลังพอต่างๆกันไม่งั้นก็เสียหวังเสียความมุมม่งหวังเป็นมาทุกอย่างความมุ่งมัน่นเต็มหัวใจแล้วเป็นมาเ็ะไม่ลืมท่าโดยความสนุกสนานก็มีถ้าโดยความอยากได้มากินก็มีถ้าโดยความคิดกดแค่มันมั่งอร่อยมั่งก็มีมีหลายด้านซึ่งเป็นทางที่ผิดทั้งนั้น คือไม่กลัวบาปเฉยๆบาจะเป็นบาปนันนี้นไม่สิดข้าด้วยความถนอมนี่ทีส่สำคัญนี่เรามาอบรมเขาอบรมข้ า, ออขาสียงเป็นวัตกันปตาโนจัดมีชีวิตปานัขันธิตาต น, นี้วหลุอวัตถุมีชีวิตมักะจิตตังจิททาาิจข่าปะกาโมทำความเมพียรที่ขาเต็น้ำมาราังสตาด้วยความเกนัรืนยะเปน เป็นรั้วกางเนมือนสีผาดเยทานาไ ป, ปพร้อมๆกันสีผาดทำํำเป็นทำประเภทหนึ่งจะท่านให้ชื่อว่าสีตอนนั้น เ, เราบวชไปแล้วเราก็เอานั้นเป็นหลักเป็นสิ่งพิมพ์ตามหลักของสิ่งนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติต า, ายไดยอบรมทางด้านจิตใจมากเข้ามากเข้ามาก ในเราต้องมาสื่อใจเดี่ยวเป็นทรรมเป็นเมื่อทำไม่ลงถึงอันนั้นแล้วทำไม่ลงจับฆ่าจับทำไม่ลงเลยตายเราตายชิ้นเปล่าถามท่านฆ่าจับตัวนี้แลทําไมะฆ่าหรือจะฆ่าท่านบอกเราไม่ฆ่าฆ่าจับนี้จะฆ่าเราหร้อฆ่าได้เลยแต่เรื่องจั์ที่จะตายด้วยเราจะฆ่ามันไม่เกิดนามนี้รับเป็นไปไม่ได้เลยความแน่ใจถึงขนาด มันทําให้ลงจริงจริงทำเขาก็เหมือนกับทําเหล่าทำหนึห่งได้ความต้องส า, สางมสตร์นั่นมันโอ้โหมันเหลือความหมายเกินกว่าที่เราจะไปทําลายลงได้ลงคอนี่เป็นธรรมชาติของจิตเองเราไม่ได้เกิดสารตั้ย่ออะไรเพราะการอบลงเพราะฉะนั้นจิต เ, เมื่อเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเป็นอ่อนเน่มไปหมดไม่จบกตนว่าสูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใด แตัดตัวได้เลยธรรมะสัพเพสัตาน่าตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจตตาด้วยกันทั้งสิ้นี้มันสูงสีมันไม่มีความรู้สึกจะดทนงตัวว่าเราเป็นคนเขาเป็นสัตว์เราสูงกว่าเขาเรามีอำนาจมากหวานยของขมันไม่เคยมีในขณะจิตหนึ่งที่รับความรู้สึกที่จะซื้อ อ, อกมาไม่ต้องว่ามันตรงขึ้นมาเลยรึก ซ, ซื้อออกมาเนี่ยมันก็ไม่เคยมีน่น ล, ลงขั้นสมุทภาพได้ เสมอภาพไม่ยกตนข่มเขามี่เขาเป็นเพื่อนแก่ไปแ ก, ก, ก, ก่ตายด้วยกันแล้วก็จะทำกันลงคอได้ไหมทำไม่ลงของติดเขาไม่ได้กับตัวแต่ทาลายหัวใจเขามันทำลายได้ยังไงทําลายหัวเจก็ได้แต่ทำลายก็เอาสมบัตของเขาอะไรอะไรไปอยู่ขึ้นชีวิตเดีาพระพนมทําทลายนะมันทํำไม่ลงแหน่ การขึ้นมาเป็นธรรมะอยู่ในหัวใจเมือเราได้รับการอบรมแล้วความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จนมระทั่งถึงมันเต็มที่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็หมดไ ป, ห, ปหลือแต่หลักธรรมชาติท้่ล้ว น, ลวนหลักธรรมชาติที่ล้วนนั้นมันไม่มีแล้วคำว่าสูงมากต่ํามากแเราเป็นท่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์มีคนเคารพนักถือมาก ก็เป็นการเหลือเย่ออยู่อะไรมาพันสิ่งมันมีมันไม่มีเลยมันมีไม่ได้มีอะไรนั้นของเรื่องเขาเนี่ยเขาอะไรมาทำบุญให้ขานก็เป็นของเขาเขานับถือก็เป็นจิตใจของเขาก็นับถือออืจิตใจเราเป็นยังไงมัเป็นคนละเรื่องนะเรื่องมันะป็นคนละฝักละฝ่ายไม่สับสนกันแล้วมันจะเอาเรื่องของเขามาเป็นเครื่องเสริมไม่ทนงตัวได้อย่างนั้นทะนงไม่ได้ถ้าเป็นความเป็นธรรมของใจจริง ใคนักถือสามโลกธานานักถือเราคนเดียวก็ไม่มีแ ป, ปลกอะไรกับไม่มีใครนักถือเนี่ยนะพราะเราไม่มีมีส่วนอะ้รที่ได้จากเขามันเป็นเรื่องของเขาเพราะตำแหน่งกี่ชิ้นยิงทาทนก็เกิดที่จของเขาเขาสร้างเหตุไม่ดีที่จใจของเขาผลจะคนได้รับก็ไม่มีผู้ใดที่จะไปรับแทนกันได้นอกจากผู้ทํานั้นเท่านั้นจะเป็นผู้รับผล เขาชมเชยสรรเสริญมีความเชื่อทางสายเลามันก็เป็นการสร้างเหตุผลดีภายในจิตใจของเขาและการแสดงของเขาในทางที่ดีต่อเราทั้งหมดนั้นนั้นเป็นความดีสําหรับเขาเป็นการสร้างเหตุดีสําหรับเขาผลก็เป็นของเขาผลอันดีแล้ะกะแบ่งสรรเสริญจากเขาได้อย่างไรเพียงพูดอย่างคนผิวเผินนี้มันก็พอเข้าใจกันหดแล้วแบบใหญ่มีจิตเดินแบธรรมชาติไปแล้วไม่คิดให้เสียเวลา อะเรจะทำให้มีอย่างนั้นทํามดาตั้งมีปีนี้อีกทามาเขาก็รู้เพียงรู้มันกระดับข้ามันไม่ต้องไปวินงิ่งไถมากแก้มาเยียวยากันปดเรื่องนั่นนึงน้ำหนึ่งนี่เพราะมันไม่ได้ติดพอได้ปดเรื่องมันไม่มาผูกมัดพอที่จะเลยถอดแต่ถอดไมมาเสียบการติดใจพอที่จะเลยถอดไปถอดมันคือว่าปีนยาแห่งเสียงที่แสดงขึ้ภาพระดับแต่พร้อมอันนี้ก็เพียงรับราบภาพไระดับไปพร้อมๆกันทั้งรุ้นเกิดขึ้นก็ดับอันนี้เกิดขึ้นก็ดับด้วยทางนั้น แสดงความมคทาขึ้นมาเช่นนั้นแสดงมาทางวาสนามันก็ดับปอ้อนทั้งนี้พอรับทราบก็ดับไปอ้อนเอาสาระประยอะไรกลับมา ม, มีคือหลักธรรมชาติตอบังคับมรรชาไม่ตอกถอด ถ, ถอนอ่าก็มันไม่มีเรื่องยอยแล้วทำลงไปที่ตตรงนี้เห็นแล้วนีจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัว็นอันแยกกันไม่ออก เป็นทีแล้วเป็นเดียว ก, กวนนนันทั้งนั้นในวัตถิก็แล้วทำ้งนั้นมีขันยั่ท่านก็บอกว่าเป็นสิตบริสุทธิ์เน่มีย่งมีขันยังมีชื่อแมือ้เข้าไปแสนยิดเหมือนการแต่เป็นจิดบริสุทธิ์หลุดท้นทำอะไรแต่นั้นไปแล้วไม่พูดมดทางทีกสิ่ทงทงั้งๆจะธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นไม่ได้ถึงจรินไปไหนแหละ ไม่ได้มีจไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องติดตั้งโดยอยู่ด้วยความมีของมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปอีกแท้วนั่นคําว่าศูนย์ก็จรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้คําว่ามีอยู่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้คำมีอยู่ของโลกกับความศูนย์ของโลกมันเป็นสมมติเต็มตัวอันนั้นไม่ใช่สมมุติคือริมุตห์นี่มันเป็นเข้ากันไม่ได้ถ้าหันตาแล้วศูนย์โลกมาูนศูนย์จริงๆศูนย์แดดที่หายกลดตื้ อันนั้นท่านไม่ได้เป็นแบบ ป, ปาา่นปีพระอรหันต์องค์ไหนป่นปี่ทำไม่จะทํา ป, ป่นปี่พอที่จะทำลายพระอราหันต์ให้ป่นปี่นะฮะไม่หากไ ม, กไมไ่อยู่ในสมมติของคนที่ไปเกี่ยวข้องสมมุติทั้งหลายไม่เข้ามาถึงมีอยู่เหมือนหนึ่งโลกทั่วทั่วไปไม่ใช่มันก็เป็นโลกทั่วทไปใช่ไหม น, นิพพานมีอยู่อย่างเนี้ยเหมือนโลกมีสิ่งทั้งหลายหรือมีอะไ ร, รอะไรอยู่ นิพพานก็มีอยู่นั้นเหมือนกันนิพพานก็เฉลี่ยกับโลกว่านิพพานศูนย์ศูนย์แบบโลกศูนย์ที่หายผลพี้นิพพานก็เป็นธรรมชาติที่หายผลพี้ไปเฉลี่ยกับโลกแน่นี้นิพพานไม่เป็นอย่างนั้นผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่เข้ากันไม่ได้รู้อยู่นี่หัวใจเต้นใจนั่นก็พูดไม่ถูกเพราพูดอะพานมันเป็นสมมติทั้งนั้ น, น, นเพราะงั้นที่ว่าท่านบอกว่าท่านที่โกหกอยู่เองอว่างนั้น รู้เองนั่นก็ตัดสินตัวเราได้นตัวเองเช่นอย่การรับทานต่ารคนต่างรับทานต่างคนต่างขบต่างฉันเผ็ดเต็มอดเด็ดอร่อยมีรู้ในลิ้นในปากทั้งหมดนั่นแหะจะมาทั้งสิน้นความอิ่มหนำสำรานในท่านในขันรู้ด้วยกันเต็มหัวใจแล้วกันแต่จะพูดออกมาได้ไหมลักษณะท่าทางของความเผ็ดเป็นยังไงของความเค็นเป็นอย่างไองของความเปรี้ยวคําหวานเป็นยังไงของความอิ่ม น, นั้นเป็นอย่างไง นี่กักษณะ น, นันพูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยทั้งที่รู้อยู่นี่เนี่ยมันพูดไม่ถูกนี่แหละสิ่งที่พูดไม่ถูกแล้ยกตัอยา่างเช่มความอิ่มเป็นต้นนี่เพียงตัว น, นี้ก็พูดออกมาไม่ได้แล้วต่างทางั้งที่ต่างคนต่างอิ่มเป็นีธถ้าเป็นฐานด้วยกันนี่แหละไม่มีใครหิวใครโหยละอา้าวมีกี่ร้อยมีพันคนเป็นแตนักอิ่มทั้งหมดเอา้าวคำอิ่มมนจะระนาย ก, กันให้สำเร็จจะจะระนายได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละเพียงตัว น, นี้ก็พอเทียบได้กับจุิตวิสุกทธิจิตน เราออกจากธาตุขันธ์นีน้หมดทิงที่จะเกิดตั้งสมมติในธรรมชาตินั้นไม่ได้เนีย่ยสิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึงก็คืออันนี้เองจะพยายามจะทําลายก็าทำลายไม่ได้นิพพานศูนย์อะไรจะทำหนี้ที่เจงนันก็อยู่กับปากตัวนั้นเสียก็อยู่กับความรู้อันงมงายตัวนั้นเสียมันก็ทําลายตัวนั้นอยู่นั่นแหละไม่ทําลายมันไม่สิทธิผายก็ได้ อันนี้ฉันต้องตัดสินใจด้วยตัวเองปฏิบาติตายไม่พ้นไปไหนเพราะว่าอคติเราจังยาเสียดายชีวิตเป็นเกินเหตุเกินผมอยาเสียดายความคิ้เกียจทีครั้งนั่นแหละยาเสียดายความสุขที่เป็นอย่างโลกโลกทั่วไปเขามีความสุขกันแค่ไหนเราจะประกอบความภาคเพียนกระปรูดจะมีความทุกข์ความบากนั่นแหละคือควรจะหาสาระอะไรสุสิ่งที่จะเป็นสุข สิ่งที่เป็นสาระมันไม่ยอมขยันมันไม่ยอมคืบคลานเข้าไปถอยตามที่เด็ดที่เด็ดรอทั้งวันทั้งคืนเอาสงบ่งเย็นจะหามาจากไหนมันจะได้ยังถ้าไม่ได้ด้วยความเพียรถึงเวลามังคับต้องเอาที่เอาจิตเอาให้มันถึงเป็นถึงตาแล้วก็รู้สิเมื่อเราเรียนรู้เหตุรู้ผลกันด้วยการสัตว์เหยื่อมันเต็มแม่เต็นวยเต็มที่เต็มฐานถึงเป็นถึงตาแล้วมันพอสู้กันได้ขนาดนั้นจริงหรืยังไม่เคย ทดลองไม่เคยต่อสู้กันบ้างเลยนี่มันไม่ทราบกาลังของการละกันกิเลสมันจะมีกําลังมากขนาดไหนล้วก็มีแตหมอกราบมันอย่นั้นเพราะเราไม่เคยต่อสู้มาเวลาเอาจริงเอาจังก็อยาจริงนี่กิเลสมันก็ไม่เหนือทำไปได้น่ามันก็หมอกราบด้วยทำนะมัชฌิมาปฏิปทาล้วนแต่เรื่องเงินทันสมัยนำมาเอาคน้นไปฟาดฟันหันแดดกกันไป เาอยากเห็นหมู่เพื่อนภาวนาได้รักความสงบร่มเย็นมีความเยียดคลายด้วยการพิจารณาในแง่ต่างๆทางอุบายของเกษตรปัญญาที่เรานำมาสอนตามพิรำของเราผลเป็นยังไงบ้างสนนเพื่อนยเาราไปฟังเสมอหวังอย่างยิ่งจิตใจเราที่มุ่งต่อข้าเนมีความยอมรับสันเรื่องมีความมุ่งหวังต่อข้าเห น, นี้มีมากยิ่งกว่าผู้อื่นใด้วยส่วนโลกคารวาเจ้าเรื่องเขาที่มาเกี่ยวข้างกับเราผสมเข้ากันไปตามการตามเวลา ไม่ค่อยจะติดต่อต่อเนื่องด้วยความหวังดีอันแน่นเป็นอิกเหมือนพระเ่าอันนี้มีน้ำหนักมากในหัวใจผมเองเหตุนี้ผมต้องพยายามจะแจกจ่ายลําบากระบินก็ออบรมฝังสอนเพราะคนนีพนน้พูดผิดเป็นหลักเป็นฐานของของประชาชนเอี่ยว่าเรื่องศาสนาจะทําโลกให้เย็นหนึ่งวางหวังก็คือฆ่าแต่ละองค์ละอ่อนมีความสำคัญมาก แต่ครั้งอยู่บนเวทีด้วยทั้งเวทีตําเนิปิจิเอียนทั้งเวทีชมเกยทั้งเวทีที่จะเขาจะยึดเป็นหลักเป็นเก น, เนทั้งเวทีที่เขาจะตําหนิปิจิเอียนดูิครับเหนเราก็ได้บวชมาแล้วเวลานี้หน้าที่ทํา ง, งานอะไรก็ไม่มีมี จ, จิตใจมอบกับประชาชนหมดแล้วเขาก็พร้อมเสมอและพร้อมตลอดมาที่จะบํารุงรักษาเรา ให้เป็นความสะดวกสบายด้วยประตูประจัยเทวทานทั้งสอย่างคือว่ามีบาตรเสนาสนะกีลานพเะศัพท์เนี่ยรวมสีอย่างาา น, านะา น, านี้เป็นส่วนใหญ่มาอยู่ที่ีท่ที่นีหมดเขาก็พร้อมแล้วทุกอย่างนะครับแที่จะตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติประกอบความภากเพียรให้เห็นจิตมีความสงบให้เห็นจิตดวงดิ้นรนนี้มันสงบตัวลงไปให้เห็นจิตดวงโง่โ ง, งนี่มันมีความส้าช้าลาดเยี่ยมแหลงผมมีพริกมีแคง เป็นแปงด้วยเทคนิคต่างๆอุ้มโดยเสียงวายเสงตรงนั้นเราอยากเห็นอยากคบใถ้มันเห็นด้วยความภาคเสียงเพราะเราสอนเราสอนด้วยนั่นขอพระศุก อ, อ, อ, องค์ได้ตั้งหน้าต่างๆาคิดปฏิบัตดูหัวใจมันอยู่ตลอดเวลาเถือไปไหนเกิดประโยอะไ ร, ะไรคิดเรื่องโลกเรื่องมิรสารเราคิดมามากขนาดไหนเกิดประโยชอะไรนอกจากถูนนกโทษโดยลำดับลำดับตรงนั้นเราเรื่จากพอใจที่ดื่เอามาเทียบเทียงที่ข้าปัญญามี ปัญญาหามาไว้ทำมาต้องเก้จริงก็ไม่ได้ไม่มาไว้สำหรับรักษาตัวจะไว้รักษาอะไรเป็นเรื่องสำคัอยู่ที่นี่ให้คือให้สั่งเอาต่อทนี้ท่านปัญญาอธิบายเพื่นอนเข